ในวันนี้ทางคณะสงฆ์วัดแพรธรรมรามได้มากราบพระวะมาสวดพระพิธรรมและเหนียวกาแสดงธรรมเพื่อบูชาพระคุณของท่านพระอาจารย์บรหาดิเล็กซึ่งท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเปลี่ยมล้นด้วยความเมตตาแก่ชาวโลก ท่านเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ผู้ทรงคุณอันประเสริฐสมควรแก่การกราบไหว้แก่การอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกท่านได้ลาละสังขารจากพวกเราไปเรียกได้ว่าเราได้เสียบุคลากรที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนา ท่านเป็นผู้ทรงคุณอย่างอนเนกอ น, นันต์ท่านเป็นผู้ประเสริฐเกิดมาเพื่อกระทำคุณงามความดีเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่เสียสละเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพระอริยาสาวกอย่างแท้จริงอยู่ก็มีแต่คุณงามความดีเวลาจากไป ก็ทำให้เราทุกๆคนคิดถึงเราจะกราบท่านกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักอิ่มวันนี้คณะสงฆ์วัดแปรกธรรมารามถึงได้นำคณะสงฆ์มาคารวะและบาเพ็ญ คุณงามความดีน้อมถวายเพื่อบูชาพระคุณแด่หลวงพ่อพระมหาดิเลก ข, ของเราทุกคนพระพุทธเจ้าท่านเป็นครูผู้สอนของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองท่านได้เมตตาบอกสอนหนทางที่ประเสริฐ ที่ประกอบด้วยองค์แปดประการให้กับเราทุกๆคนว่าสมณะที่หนึ่งที่สองที่สที่สมีอยู่ในธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านอกเหนือไปจากนี้ไม่มีสมณะแปลว่าความสงบ ความสงบที่เราทุกคนจะหาได้นะ่ะต้องหาจากตัวของเราเองถ้าเราไปหาที่อื่นไปแก้ไขที่อื่นนั้นไม่สามารถที่จะพบกับความสงบได้ถ้าเราวิ่งหาจากภายนอกนั้นยิ่งวิ่งก็ยิ่งหนีเหมือนกับบุคคลที่วิ่งตามตะคุบเงา วัตถุข้าวของเงินทองเกียรติยศสิ่งเหล่านั้นนะ่ะมันไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราได้แม้แต่ร่างกายของเรานี้ก็ไม่เกียรังยั่งยืนเราเกิดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะ่ะล้วนแต่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีที่สุดก็จากเราไป สิ่งที่ไม่ดีที่สุดก็จากเราไปและในอนาคตเน่สิ่งที่ดีก็จะจากเราไปสิ่งที่ไม่ดีก็จะต้องจากเราไปอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าท่ ถ, าถึงพาเราให้กลับมาหาความสงบความสุขความดับทุกข์ของเราทุกคนนั้นน่ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอยู่ที่ความสงบนะเราบริโภคอาหารพักผ่อนหรือทำอะไรทุกอย่างนั้นนะจุดมุ่งหมายก็คือให้กายของเรานั้นมีความสงบให้ใจมีความสงบถ้าเรารวยเราเป็นมหาเศรษฐีแต่ถ้าใจของเราไม่สงบนะ ก็ชื่อว่าเราไม่เข้าถึงความสุขความดับทุกข์ได้ถึงจะร่ำจะรวยเราก็ยังตกนรกทั้งเป็นในชีวิตประจำวันเราทุกคนนะไม่ว่าจะนั่งอยู่ที่นี่หรือว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนถ้าใจไม่สงบก็ถือว่าบุคคลนั้นกําลังตกนรกทั้งเป็นนะ คือความโลภความโกรธความหลงนะ่ะมันเผาเราทั้งเป็นบางทีนะ่ะเรามีอะไรพร้อมทุกอย่างนะแต่จิตใจของเรามันก็ไม่สงบจิตใจของเรามันก็ไม่อิ่มไม่พอสาเหตุเพราะอะไรสาเหตุก็เพราะว่าใจของเรานี้เขากำลังตกนรก กำลังถูกไฟนรกมันเผาไนงะพระพุทธเจ้าท่านที่เราทุกๆคนเนี่ยเข้าถึงความสุขความดับทุกข์ตั้งแต่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ที่เรายังไม่ลาละสังขาร น, นี่แหละความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็เหมือนกับกองเพลิงที่กําลังไหมเราอยู่เผาเราอยู่ ถ้าเราคิดว่าชาติหน้ามีจริงไหมนรกมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหมอันนี้ก็ชื่อว่าเรายังไม่รู้จักนรกที่แท้จริงนะเขากำลังเผาเราอยู่เรากำลังตกนรกอยู่เราก็ไม่รู้เขาเรียกว่านรกชิมลองเป็นนรกหลุมเล็กหลุมใหญ่ ที่เขาจัดการเราในชีวิตประจำวันพระพุทธเจ้าท่านมีเมตตาบอกเราสอนเราให้พากันมาแก้ที่จิตที่ใจแก้ที่ความคิดความเห็นแก้ที่การกระทาของเรามาหยุดตัวเองมาปรับตัวเองเข้าหาธรรมะเข้าหาพระธรรมวินยัย เราทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นธรรมะนะทุกอย่างนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราทุกๆคนน่ะมันมีความเห็นแก่ตัวมากมีความเห็นแก่ตัวมีความอยากมีความต้องการอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีอยากมีสุขภาพดีอยากให้ลูกให้หลานดีหมด อยากให้ลูกน้องพ้องดีวานดีหมดเนี่ยความอยากอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ามันเป็นอาการของเปรดในจิตในใจของเราพระพุทธเจ้าท่านสอนเราไม่ให้เราอยากท่านให้เราเป็นคนเสียสละให้เราเป็นผู้ให้ทานให้เราเป็นผู้ให้เพราะเรานี้เห็นแก่ตัวมาก เป็นผู้เอาจากพ่อจากแม่จากเพื่อนจากผูงจากสังคมถือว่าเราเป็นผู้ทาอาชีพบนความทุกข์ของคนอื่นนะดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนเราให้มาเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละท่านให้ทุกท่านทุกคนกลับมามองดูตัวเองว่าเดี๋ยวนี้เราให้อะไรใครบ้างหรือยัง เราให้ความสุขเราให้ความดับทุกข์แก่คุณพ่อแก่คุณแม่แก่คนในครอบครัวแล้วหรือยังถ้าเราเป็นผู้รับเหมือนแต่ก่อนตัวเราเองก็มีทุกข์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราก็มีทุกข์นะคนเรานี้เนะี่ยมันไม่เสียสละเลยนะ ีเขาให้เราเรียนหนังสือตั้งแต่อนุบาลจนจบด็อกเตอร์เนี่ยก็เพื่อจะเป็นคนดีเป็นคนเสียสละเป็นผู้ให้เขาเอาเหยื่อมาล่อเราให้เราทําความดีนะแม้แต่พระภิกษุสามเณรเราเขาก็เอาเหยื่อมาให้เพื่อทําความดีให้นักทำปรีนักทำโทนักทำเอกป ร, ริญธรรม จนถึงด็อกเตอร์นะให้ทุกท่านทุกคนให้รู้ความหมายนะความเป็นจริงแล้วท่านจะให้เราเป็นคนดีเป็นคนเสียสละในโลกนี้เนะี่ยหาคนดีได้ยากได้ลำบากถ้าหาคนดีเป็นตัวอย่างได้ยากได้ลำบากนะมันหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร พระพุทธชจาให้เรากลับมาที่ตัวเรานี่แหละนะท่านว่าสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองที่สามที่สี่นั้นอยู่ในตัวเรานี่เองนะถ้าเราคิดดีเราปรารถนาแต่สิ่งที่ดีเราพูดดีเราทำดีเรามีสติสัพชัญญะสมบูรณ์ตั้งมั่นในคุณงามความดีนะ่ ชีวของเรานี้ก็เรียกว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกอย่างมันก็จะดําเนินไปของมันเองเพราะว่าสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีนะนั้นการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเราจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนพระพุทธเจ้าไม่ให้เราประมาท ไม่ให้เราข้ามขั้นตอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปเนี่ยมันเป็นกรรมมันเป็นการบันทึกกรรมไปในตัวทั้งหมดเลยนะคนอื่นไม่รู้แต่เราก็พอจะรู้บ้างละแต่ถ้าเราไม่มีสติสมัมปชัญญะสมบูรณนะ์เราจะไม่รู้เลยนะว่เาเราทำกรรมอะไรลงไปบ้าง แต่ถ้าเรามาฝึกสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์เนี่ยเราจะรู้ละเอียดมากขึ้นมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ถ้าจิตใจของเรามันส่งออกไปข้างนอกมุ่งแต่วัตถุภายนอกจิตใจของเราจะหยามันจะสกระปรกมันจะเร่าร้อนมันคิดไม่ออกคิดไม่เห็น มันเก่งนะเก่งอยู่แต่ในเรื่องภายนอกเรื่องทำมาหากินน่มันมีความชำนิชนานาญเฉพาะทางแต่เรายังไม่เก่งในเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องภายในเรื่องทำใจให้มันสงบแรงเวียงของกิเลสเนี่ยมันมีมากนะแต่และค น, นแต่ละท่า น, นถ้าไม่ได้อะไรตามใจแล้วก็มันเครียด มันอึดอัดขัดเครื่องนะมันเวียงมันวีนมันจะเป็นจะตายเอาให้ได้อย่างนี้เขาเรียบ ก, กรรมเก่ามันแรงมันเวียงเราเหมือนกับน้ำมันไหลจากภูเขาลงเก้าสิบองศาแล้วแหละนะกำลังจิตกำลังใจมันไม่พอที่จะสกัดกั้นมันเอาไม่อยู่นะเขาเรียกว่าฟิวขาดนั่นแหละนั้นเราทุกท่านทุกคนเนี่ย ถึงต้องมาฝึกสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์มามีความศรัทธาตั้งมั่นในคุณพระตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างเรานี่ยแะคนหนึ่งสามารถประพฤติปฏิบัติได้นะคําว่าพระเนี่ย ไม่ได้หมายถึงพระทางร่างกายนะอย่างนี้เรียกว่าสมุดที่สองสมุิพระคำว่าพระนี่นะ่ะหมายถึงจิตใจนะถ้าใจใครสงบใจของใครตั้งมั่นในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์ไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาธรรมวิันเป็นใหญ่ ไม่รูปคำศีลไม่รูปคำข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าใจของเราเป็นพระนะเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นท่านตรัสแสดงไว้ดีแล้วประเสริฐแล้วคนเราเนะ่ะส่วนใหญ่มันเห็นแก่ตัวนะเวลารักษาศีลมากๆ ม, มันไม่อยากรักษาหรอกแต่เวลาเงินนะ่ะ ก็ได้น้อยมันไม่ชอบนะนี่แสดงว่าเราจิตใจมีปัญหาแล้วหัวใจเรามีปัญหาแล้วนะแสดงว่าเรายังมีความเห็นผิดคิดว่าเรายังไม่ชอบพระพุทธเจ้าไม่ชอบพระธรรมไม่ชอบพระอริยสงฆ์แต่เราก็พากันคิดอยากจะไปพระนิพพานนะ่ะมันจะเป็นไปได้อย่างไร นะมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าศีลนั่นนะ่ยคือองค์พระพุทธเจ้าธรรมะนั่นนะ่ยคือองค์พระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนนั่นเนะ่ยเราถึงได้เป็นพระอริยสงฆนะ์ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากนะถ้าใครประพฤติปฏิบัติ เขาผู้นั้นก็ได้บรรลุมรรคผลพระนิพพานกันหมดทุกคนเนะ่ะไม่มีพรงแดนไม่เลือกชาติศาสนาไม่ว่าจะเป็นใครหัวใจก็เป็นพระได้หมดอย่างพระอย่างอาจารมาเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยหรือว่าสงในที่อื่นนั้นเนะ่พระพุทธเจ้าท่านยังตัดว่าเป็นสมมติสงนะ ยังไม่ใช่อริยสงฆ์อริยสงฆ์นั้นนะ่ะคือหัวใจของทุกๆคนที่เอาศีลเป็นที่ตั้งเอาธรรมะเป็นที่ตั้งการประพฤติปฏิบัติธรรมน่ะพระพุทธเจา้าท่าให้เราทุกคนนี้เน้นมาที่จิตที่ใจนะเพราะความสุขความดับทุกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของกายเพียงอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของจิตของใจด้วย ร่างกายของเราเนี่ยมันก็เหมือนรถยนต์คันหนึ่งนั่นแหละเราใช้งานมันมากมันก็สึกลอมันก็ชำรุดซุดโทมไปในที่สุดแต่จิตใจนี่แหละที่จะดับทุกได้ที่จะเข้าถึงความสุขที่จะเข้าถึงมรรคผลพระนิพพานที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้เราทุกคนทุกท่านนี้ ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐแล้วนะสามารถกระทำแต่สิ่งที่ดีดีมนุษย์แปลว่าผู้ที่มีจิตใจสูงทำแต่สิ่งที่ดีแต่ถ้าเป็นแค่คนเนะี่ยก็ทำทั้งดีทั้งชั่วสลับสับเปลี่ยนแล้วคนปนเปขเขาถึงเรียกว่าคนไนงะนะนั้น เราทุกท่านทุกคนเนี่ยต้องสมาทานเอาคุณงามความดีเป็นที่ตั้งถ้าเราไม่สมาทานนั้นน่ะมันไม่ได้เห็นไหมขนาดเราสมาทานอยู่นะมันยังจะไม่ได้เลยนะงั้นต้องอาศัยขันติคือความอดทนอดกลั้นความเหน็ดความเหนื่อยมันก็มี แต่เราก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นเพราะเราจะต้องมาเอาความดับทุกขภายใน จ, ใจิตใจเราจะไม่เอาความดับทุกขแค่ทางกายเท่านั้นเราต้องเอาความดับทุกทั้งทางกายและทางใจด้วยนะงั้นคนส่วนใหญ่นะมันเป็นแมลงเมาบินเข้ากองไฟพากันดับทุก แต่ทางร่างกายหิวก็บริโภคเหนื่อยก็พักผ่อนจึงตกอยู่ในอบัยภูมิอยู่ตลอดนะเมื่อไม่ได้มาพัฒนาจิตพัฒนาใจเราก็จะต้องเบียนบ่ายตายเกิดในบ้านตาสงสารอยู่ร่ำไปเราอยู่ในบ้านอยู่ในสังคมเนะ่ะ มาวัดทุกครั้งนะท่านที่ให้เราได้มาสมาทานไงสมาทานเอาศีลห้าสมาทานศีลแปมาบวชมาสมาทานเอาศีลสิบศีล <S 2อรีเมื่อเราสมาทานแล้วนะก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติปรับทั้งกายวาจาใจกริยาอาการต่างๆ เข้าหาพระธรรมเข้าหาพระวิัยด้วยการสมาทานก็คือด้วยความตั้งอกตั้งใจถ้าจิตใจของเรามันกลัวความดีรักษาศีลไม่กี่ข้อนี่ก็กลัวแล้วไอ้หัวใจกลัวอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าหัวใจอสุ ร, รากายนะคือมันกลัวคุณงามความดีกลัวศีลกลัวธรรม เพระพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเราเนะ่ะถ้ามันจะตายมันไม่เป็นไรตายเพราะความดีตายเพราะเราได้สร้างบา ร, รมีเราได้เสียสละเราอนุโลมตามกิเลสตามความอยากความต้องการนั้นนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักจบจักสิ้นจักพอทุกวันนี้เนะ่ นรกหลุมเล็กหลุมใหญ่มันยิ่งผุดขึ้นมาเยอะนะนะหมายถึงพวกเราได้พาการบริโภควัตถุหรือว่ามีวัตถุให้เราได้รุ่มได้หลงในชีวิตประจําวันของเราความอรสอร่อยในการรับประทานอาหารความอรสอร่อยในการฟังความอรสอร่อยในการเที่ยวพากันตั้งอยู่ในอารมณ์ของสวรรค์ทั้งนั้นเลยนะ หาเงินหาสตางค์พรา ก, กจากสถานบ้านเกิดเมืองนอนหรืออยู่ในท้องถิ่นต่างๆที่สิวิไลที่มีเทคโนโลยีก็เพื่อที่จะไปบริโภควัตถุบริโภครูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเมื่อเราบริโภคอยู่อย่างนี้นะท่านว่าเราก็พากันหลงอยู่อย่างนี้แหละ แต่ว่าร่างกายของเรานี้สิมันจะไม่ทันการนะมันกำลังจะแกมันกำลังจะเท่ามันกำลังจะเข้าโลงแล้วนะเมื่อเราแกหน่อยมันก็ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้แล้วจะนั่งสมาธิก็ลำบากแล้วจเจริญสติสัพชัญญะก็ไม่สะดวกแล้วนั้นทุกคนทุกท่านนะมีภาระเยอะ ภาระเรื่องคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณหลานคุณคนงานคุณเจ้านายนะดังนั้นต้องบอต้องจัดการบริหารเวลาดีๆนะเราต้องปรับเวลาเข้ามาประพฤติปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมซึ่งสามารถที่จะแทรกเข้าไปในการทำหน้าที่การงานของเราได้หมด ถ้าเรารู้เราเข้าใจเราก็ใช้การเจริญสติสัมปชัญญะอย่างที่พวกเราได้ฝึกอยู่นี่แหละเข้าไปประกอบในการใช้ชีวิตนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็แท้ ก, การประพฤติปฏิบัติการเจริญสติเข้าไปนะท่านว่าไม่ให้เรารอนะถ้าเราเข้าใจแล้วไม่ต้องรอถ้าเรารอไปเนี่ย มันไม่หมดธุระหรอกมันก็เท่ากับเรารอให้เราหมดลมหายใจท่านั้นเองดังนั้นการทำงานทุกอย่างเราสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเราสามารถฝึกเสียสละสามารถฝึกการเจริญสติสัพชัญญะของเราให้สมบูรณ์ความสุขความดับทุกข์ถึงจะมีกับเราตลอดเวลานะไม่ว่าเราจะทำงาน หรือว่าเราจะพักผ่อนความสุขความสงบนั้นก็คือศีลสมาธิและปัญญาฉั้นคนเราเนะี่ยอย่าได้พากันประมาทถ้าจิตใจของเรามันมีความอยากมากความต้องการมากจิตใจของเรามันเป็นบากนะกิเลสมันเผาตัวเองถ้าใจของเราสงบ ใจของเราเย็นอย่างนี้นะอันนี้แสดงว่าเรามีสมาธิในชีวิตประจำวันคนราวนี้มันต้องมีความสุขความดับทุกอยู่ในชีวิตประจำวันนะเขาเรียกว่ามีปีติมีความสุขมีเอกขาตาทุกเมื่อทุกเวลาในชีวิตประจำวันเราจะเป็นคนตื่นข่าว เขาเรียกว่าถิมงคลตื่นข่าวยุ่งแต่กับเรื่องภายนอกเรื่องภายนอกนั้นนะ่ะหูเราไม่นวัวตาเราไม่บอดเราก็รู้เราก็เห็นแหละนะแต่เห็นแล้วก็พากันปล่อยกันวางเราอย่าเอาแต่เรื่องภายนอกมาวิตกวิจารจิตใจของเราจะเป็นคนผ่าน ยิ่งเราเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งนะมันก็แบกเอาดีเอาชั่วของคนอื่นมาใส่ใจพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราทำอย่างนั้นนะไม่ถูกนะเพราะชีวิตของเราขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโลกเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละนะเราเกิดขึ้น โลกเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้เรามีชีวิตอยู่โลกเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้แม้เราจากไปเขาก็มีปัญหาอยู่อย่างนี้แหละนะให้เราถือว่าเราเกิดมาเพื่อมาประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อสร้างความดีสร้างบา ร, รมีสร้างคุณธรรม มามีพุทธโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ไม่มีความทุกข์ด้วยประการทั้งปวงในวันนี้นะที่เราได้มารวมรวมกันประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีน้อมถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาน้อมบูชาพระคุณอันประเสริฐแด่องคหลวงพ่อ มหาดิเรพุทธยานันโทก็ขอให้บุญกุศลคุณงามคามีมบารมีธรรมที่คณะสององค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์และ ส, า, ส า, ยายตาศรัทธาญาโยทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญ ด, ด้วยดีในวันนี้และทุกๆวันจงมาร่วมรวมกันเป็นพลังบุญพลังกุศลที่ยิ่งใหญ่ น้อมสักการบูชาพระคุณอันประเสริฐได้องค์หลวงพ่อมหาดิเลกพุทธยานันโทน้อมส่งท่านสู่สวรรค์มรรคผลพระนิพพานโดยฉับพลันและบุญกุศลคุณงามความดีก็ขอน้อมปกปักคุ้มครองรักษาคณะส่งองค์พระแม่ครูบาาจารย์และญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคน ให้มีความเจริญงอกงามในศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเข้าถึงความสุขความดับทุกข์เข้าถึงมรรคผลพระนิพพานโดยฉับพลันด้วยกันทุกท่านทุกคนเท